สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะมาพบกับท่านผู้ชมตอนเช้าวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณ6 1โมงนาทีนะคะเช้าวันนี้พาท่านผู้ชมมาจาาังหวัดสิงห์บุรีเอกเช่นเคยคงจะเดาออกนะคะมานมัสการหลวงพ่อจรที่วัดอัมพรวันค่ะพระราชสุธิยานมงคลนะคะสหรับวันนี้เนื่องจากเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นปีใหม่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 ก็มากมายชีวิตแปลว่าความหวังองันเป็นสิ่งท okay. ี่มีประโยชน์ต่อการงานและงานที่เรียกว่าชีวิตที่มีประโยชน์นั้นแต่ทุกคนเขาจะเริญพรน่ะช okay. ีวิตนี้ใครหนอจะรักไหมมนุษย์ก็ต้องรักชีวิตมนุษย์ก็ขอประทานโทษขอเจริญพรนับประสาอะไรแตแค่มนุษย์แค่เดียวฉานยังต้องรักชีวิตคุณเขาแต่น่าเสียดายทั้งแบบมนุษย์เจอชาติศักยภาพข้าบุคคลทุกวันนี้รักชีวิตไม่ถูกต้อง รักชีวิตแต่เดินทางท้าผิดผิดกฎจะลามจอดชีวิตเขาวางทางเส้นเดินของมานุษย์ใหม่กลับเดินผิดพลาดเหมือนมาแหกคอกช้างปอกแตก้าที่ไดในเวลาของเขาที่หมดไปเรียกคืนไม่ได้คือชีวิตอันตามเวลาชีวิตแปลเวลาที่มีประโยชน์จนเรียกว่าชีวิตที่ไม่ไร้ค่า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 เอคือเขากลัวตายทําไมต้องฆ่าด้วยวยอํานาเกลียะอันน า, นาประกาอันี้คนนึ่งอํานาจที่หลวงผิดเดินทางเส้นทางกดจาอนชีวิตเส้นทางของแทงชีวิตมันเพราะก็เดินทางนี่มีหลายทางไปทางไหนพระเจ้าสอนให้เดินทางไปถูกต้องไปนรกไปอสซุลกายชัตวิเลชาดจะเดินทางไหนไปทางมนุษย์ ไปทางพรมโลกไปทางสวรรค์ไปทางนิพานท่านก็บอกเส้นทางไว้แล้วแต่เส้นทางของมุกจะเดินนั้นต้องพัฒนาด้วยปัญญาคือปัญญาในตัวอย่างนี้เป็นตน้นจะ่เหตุดายหนอเขาจะมาฆ่าตัวตายได้อย่าลืองกดแห่งตามจา ก, การกระทํานั่นเองเป็นการกระทําต้องทําให้ต้องฆ่าตัวตายเจ็ดชั่วชาติมาชาติก่อนนี้เคยฆ่าตัวตายมาแล้วมันจีบชาติต้องฆ่าตลอดไปจนฆ่าชาติสุดท้าย แต่ชาติตวท้ายนั่นก็ขอเจริญพรว่าทาไมต้องฆ่าตัวตายต้องขอเจริญพรดังนี้อาตมาจับได้หลายคนหลายหลาหลาห ล, าห ล, าหลาตอนเช่นคนที่ฆ่าตัวตายชาติตุวท้ายไม่เจตนาเลยมนแต่นี้ไม่เครื่องหมายทําให้ต้องตายเช่นยกปืนขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นความจริงลูกเสยสมบัติ เสกคนนี่นามจต่างนามกุ้มิดาเป็นเสกกองทัพไทยสามข่ายเฉลสวนมหาราชเอากาทศรถพิโสโลกโสโคถันภรรยาก็เป็นอาจารย์สอนวิไลครูที่พิโสโลกลูกสาวฆ่าตัวตายลูกสาวฆ่าตัวตายนี่เอาเอานี้มาเป็นหลักค่ะลูกสาวฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายไม่ได้โกรธเลยค่ะไม่ได้โกรธใครเลยนะแต่จับปืนขึ้นมา นี่สาธสทตให้ดูจับปืนข้ามันดูสนุกในการจับปืนก็หาง่ายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าลูกไม่มีป้องเลยตายคาที่ะตายคาที่แต่พ่อแม่ก็เสียใจไปทําบุญให้ก็มไม่ได้รับก็ไม่ทราบว่าลูกนี่ไปโกรธใครมีแฟนตรงไหนเป็นลูกสาวค่ะรับราชการสวยน่ารักนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนค่ะเราจะเห็นชัดเลย ฆ่าตัวตายไม่ได้สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าไม่ได้เจตนาทําไมจึงฆ่าถ้าพูดตั้งหลาธรรมะเรียกว่าความประมาทถ้าพูดทะลึกลงไปอีกเรียกว่าโกดแห่งกรรมเขาจะต้องฆ่าตัวตายชาติถุกท้ายโดยไม่ต้องโกรธใครเลยแล้วใช้อัตมาไปบรรยายโกดแห่งกรรมในกองทัพเจ็ดวันเจ็ดคืนไปหลายแห่งเขาร้องไห้ตลอดนี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องหนึ่งก่อนเขาร้องไห้บอกปัดเสัให้ร้องไห้ทําไม ลูกสาวยิงตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ทราบความหมายอตาตมาก็บอกให้จบไปก่อนจบไปก่อนเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยชาวถุถายไม่โกรธใครไม่เจ็บแฟนเขายังไม่มีแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเขารับราชการด้วยจบไปก่อนจะบอกไม่เคยมาเข้าฝันแต่ประการใดลายตามาก็ขอจเจริญพรว่าท่านเสเชื่อตามาไหมคนที่ฆ่าตัวตายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามผู้จ้าบอกบาปมาก ทำบุญไม่ถึงหมายถึงเนี่ยวิธีการทําถึงทําอะไรคือเจริญกรรมฐาน ะ, ะเจริญวิปัสนาทนาุนัชชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาถึงจะได้รับเลยาสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นอาจารย์ปัญญาก็ลาพักรอนนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานได้เจดวันเจ็ดคืนเจ้าแม่ได้เจ็ดวันเจ็ดคื น, ล, น, น, คนลูกมาเข้าฝันลองที่จอบไปเลย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 เขาเจริญพรด้วยเจตนาอะไม่ดได้เจตนาแต่เป็นนิมิตทําให้เห็นว่าไม่มีลูกงาโป่งเดียวตาเลยคนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครคขนาดกโกรธจัดเนี่ยไปกลางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้โกรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครก็อะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธนี่ไปได้เลย โกรธจัดสามารถไม่มีสติ <Okay. S 1> สามารถผูกขอตายนี้เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่า <Okay. S 1> ข้อที่สองคนผูกขอตายโดยไม่มีโกรธเดินอันนี้เรื่องจริงสองรายการแล้ว <Okay. S 1> คือชาติถุดท้ายบัณฑิตเจตนามีตัวตนช่างทำโรงเรียนวัดเสธงอำเภอพรมบุรีจงังหวัดชลบุรีทำโรงเรียนแล้วก็ไปอาบน้ำติดคลองส่งน้ำเดินผ่านป่าชา เดินผ่านป่าชามาก็เดินเดินมาเลขคนหนึ่งเป็นในช่างเลยเดินมาที่หลังพอมาถึงป่าชาแววป่าชากลายเป็นบ้านค่ะกลายเป็นบ้านเลยมีสาวสามคนบอกให้เชิญขึ้นมาหาข้าวหาปลารับทานบอกว่าเชิญในช่างรับทานอาหารป่าชากลายเป็นบ้านสวยงามมาก เลยก็ไม่รับทานบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปรับทานกับพวกช่างด้วยกันนี่ทําโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เองมีหลักฐานแล้วก็ไม่ยอมรับทานผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกเอาละไหนๆขึ้นมาแล้วฉันจะให้รางวัลให้สร้อยหนึงเส้นค่ะเอาสร้อยสวมคอพอสวมคอเลยปั๊บสลกไปเลยอก็หลบไปเลยแล้วก็พวกช่างก็เถือกตามมาถึงที่วัดควันตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยอาตมาก็กลับไปบอกว่าให้อะปืนไปยิง ยิงขึ้นฟ้าสามนัดพอยิงขึ้นฟ้าสามนัดแล้วเห็นตานางผูกเอ่าอ่าห้อยโหนบนต้นขางไม่ใช่เป็นบ้านแล้วก็แกะมาแล้วก็มารดน้ำมนตอาตมาถามบอกโกิดใครเปล่ า, ลาเดินมาจริงนั่นนะเดินมาแล้วก็เห็นบ้านเขาเรียกขึ้นบาทใหก้กินข้าวเลยก็ไม่รับฐานเลยตมาก็กระซิบบอกภันยาเขาสามเดือนตาย สามเดือนตายเนี่ยตายอย่างนี้เพราะชาติสุดท้ายเนี่ยแล้วทีนี้สามเดือนก็เดินทางกลับไปพิจิตรก็ไปช่วยงานที่ปูกพันชิติมาแล้วกลับบ้านจนสายเนี่ยพัญญามาตามสุวัดไม่มีก็ผู่คอตายที่ตรงข่อยค่ะนี่อันนี้ก็ขอเจริญพรว่าคนที่ชาติสุดท้ายผูกคอตายโดยเจ๊เไม่ได้เจตนาแล้วจะไม่ปูกคอตายต่อไปอีกเจ็ดชาติอีกประการที่สอง คนสร้างตรรมกรมกรมใหม่โกรธ ด, ด้วยโทสะมีอหน้าโทสะขอเจริญพรฝากไปยินคนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค<ะ>ขนาดโกรธจัดเนี่ยไปกัางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้โ<ะ>กรดนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธที่ไปได้เลย โกรธจัดสามารถไม่มีสติสามารถปูกคอตายนี่เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเกา่าโดยไม่รู้แล้วนี่ไม่มีสติอย่ากตายเนี่ยอย่าอยู่เลยโกรธพ่อโกรธแม่โกรธอย่างแรงแล้วโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธลูกจนหมดสติไม่มีเส้นทางเขาเดินคนชีวิตไม่มีปัญญาเลยเนี่ยถูกคอตายได้ยิงตัวตายได้โดดตึกตายได้ในเว็บหุดเดียว นี่ขอจเจริญพรอย่างนั้นแต่ต่อหลวงพ่อขา่าวเมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วนะี่มันก็ไม่ได้ดีทุกได้อะค่ะหนีทุกไม่ได้ค่ใครบอกว่าฆ่าไปเพื่อพ้อนทุกกลับไปส้างผู้ฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างโกรธจัดเนี่ยต้องฆ่าไปทั้งเจ็ดชาติแน่นอนฆ่าไปเจ็ชาตินอนต้องพิสูจน์ได้มีความพิสูจน์ได้เห็นชาติถือกรรมฐ า, านทานทีนี้คําถามที่เราจะถามหลวงพ่อต่อไปนะคะคือคนที่ท้อแท้สิ้นหวังคิดจะฆ่าตัวตายนะคะ ทำอย่างไรที่เราจะช่วยเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่เป็นการสร้างการรมปลูกพัน์กันไปถึงเจ็ดชาติเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดมาแล้วนะคะหลวงพ่อคะเราจะแนะนําเขายัางไงคะขอจะเจริญพรคนที่มันฟิ่นหวังอะไ ร, ะรต่างๆมันหมดอะไรแต่อยากแล้วมันไม่มีหลั ก, กขอจเจริญพรไม่มีหลักคือเช่นทางชีวิตไม่มีการเดินทางคือกดจราจรชีวิตไม่มีแล้วมันฟินหวังหมดอะไรจะอยากหมดอะไรแต่อยากค่ะ เราก็ต้องให้ธรรมะเขาหลักสามประการศีลสมาธิปัญญาไม่ตรงมากหลักสติปัญญานี่เองคือปัญญาเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้เท่า น, นั้นคือปัญญาในตัวค่ะปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยอะไรใครไม่ได้เั่งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนชัดเจนมากสอนอะไรยืวสอนเน้นวิชาการวิชาการเนี่ยต้องเรียนก่อนพอเรียนแล้วต้องเน้น ถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าโลกิยาปัญญา <คะ S 1> มันจําเป็นน ะ, <ค>ะปัญญาทางโลกสองโลกุตละปัญญาปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตเขาไม่มีเลย <คะ S 1> บางทีเป็นดมอเตอร์ แ, แต่ค่าตัวตายก็เยอะอ <คะ S 1> แล้วไปผิดหวังไปต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจตลอดไปกระทั่งเป็นดมอเตอร์ต้องหลายดมอเตอร์ <คะ S 1> แต่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีโลกุตละปัญญาคือปัญญาในตัวไม่มีห <คะ S 1> ลักธรรมะไม่มีเลย ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะมากมายสายทางเดินของชีวิตจึงผิดไป <Okay. S 1> เดินพลาดเหมือนกฎจราจรชีวิตเนี่ยต้องเดินทางตามเส้นที่เขาตีไว้ผู้เจ้าสอนถ้าแหกพอกนะนอกทางนอกเส้นเนี่ยชีวิตจะลายสลาะ <Okay. S 1> จะกลายเป็นคนสิ้นหวังทันทีหมดอะไรใจอยากไม่สามารถจะเดินทางไปถูกต้องได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีทางเดินนะต้องมีทางเดินด้วยกันช้งนั้น แต่ทางเดินนั่นคือตัวปัญญาคือเส้นทางคู่ชีวิตต้องเดินทางไม่ผ่าผิดกฎจราจรชีวิตยกตัวอย่างให้เห็นในปัจจุบันเราต้องเดินทางไปตามกฎจราจรไม่งั้นตำรวจจับผิดเช่นกจราจรในงานถึงไฟแดงต้องหยุดไฟเขียวก็ไปแต่กฎจราจรคู่จิตใจนั่นคือสายทางเดินของชีวิตสายเดินทางเดินชีวิตคืออะไรคือสติปัญญาได้แก่ตัวปัญญาเพราะฉะนั้นผู้เจ้าสอน ต้องมีภูมิห้าคือจะแปลจากสีสมาธิปัญญาสีสมาธิปัญญาง่ายแต่ไม่มีใครทําต้องพูดโดยวิธีปฏิบัติหนึ่งภูมิรู้สองภูมิธทำสองภูมิฐานสภูมิปัญญาห้าภูมิปัจจุบันถ้ามีภูมิปัจจุบันก็คือหายใจเข้าออกไม่สติทั้งปัญญานี่ตัวนี้เป็นภูมิปัจจุบันคนเราไม่เอาปัจจุบันเอาอดีตมามามารื้อฟื้นหรือคนอื่นมาคิดกินทชอบทำให้ไม่ทํา อนาคตไม่จับยังมันให้คันยังมันตายจะผิดหวังจะเสียใจยตลอชีวิตเนี่ <Okay. S 1> ตรงนี้เสียใจยไหมถ้ามันผิดหวังขึ้นมาทําไมจับมัน่นคันมันตายจับจนหลักห่ะถ้ามันผิดไปทําไมนาจะพิจารณาอดีจังทุกขังนั่ตาค่ะ <Okay. S 1> มันความแน่นอนชีวิตมีมัม้ยชีวิตแม้แต่ว่าไม่แน่นอนชีวิตคือความหวังจากเฟื้อชีวิตคือสั่งตายไปวันหนึ่งสั่งตายไปวันหนึ่งได้อะไรฮะได้อะไร ไม่มีการที่จะสร้างเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ต้องอยู่ในข้อนอยู่ในการที่จะต้องอย่าอย่าสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหม <Okay. S 2> เรื่องคนอื่นอย่าคิดถ้า <Okay. S 2> ชอบน่าจะทําก <Okay. S 2> ลับไม่ทํา <Okay. S 2> ปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติ <Okay. S 2> อย่าไปเอาอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นไม่ได้ตอนเอาปัจจุบันนี้ <Okay. S 2> ก็ อ, อะไรเอาคุณกับพุทธเจ้า ม, มาไว้ซะ ศึกษาห้ความรู้ปัญญาคุณ ว, ว, ว, ว, วิธีแก้ง่ายๆต้องปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อมั่นให้เข้าสู่ในคุณภระิิทธิ์ศาสน า, ามีพระพุทธเจ้ามีประธรรมประสงค์เป็นต้น คุณพระพุทธเจ้าคืออะไรเอามาวาดในใจได้ไหมคุณพระเ จ, จ้ามาวัดในใจได้ได้กลายอะไรง่ายๆพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุ ณ, คณ <Okay. S 1> เอาไว้ในนี้ได้ไหม <Okay. S 1> ปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติ <Okay. S 1> อย่าไปเอาอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นีกไม่ได้ต้องเอาปัจจุบันนี้ก็ อ, อะไรเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ซะ ศึกษาห้ความรู้ปัญญาคุณมีสามอย่างสุตตามยปัญญาปัญญาได้แก่การสดัตดับฟังอธิบายได้แก่ศรัทธาฟังสนใจฟังสนใจฟั ง, จ, ฟงจดหัวข้อไว้แล้วก็ทบทวนทบทวนในเมื่อทบทวนแล้วก็ทำยังไงทบทวนแล้วก็คลี่คลายน่น ทบทวนแล้วจําไว้ได้มันจดมันจํามันจํามันจดถึงใดงามอย่างงดมันจดมันจําไปตํารานี่คือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องจินตามัญญะปัญญาปัญญาต้องต้อ ง, องคิดก่อน <Yeah. S 1> มีสติคิดก่อนได้ไหมคิดหน้องก่อนได้ไหมคิดเรื่อยเรื่มดเ น, นินงานท่านที่จะรอดีจากภารการใดเกิดปัญญาไหมนี่เกิดปัญญาเนี่ยเกิดปัญญาทางคิด ปัญญาทางคิดก็สู่ปัญญาภาวนาไม่ได้ขอเชิญพรท่านดรพระฮิดไดปัญญาฟังกับปัญญาคิดไม่มันก็ดีแต่ประโยชน์น้อยมากฟังแล้วไม่คิดประเดีย๋ยวจ้างฐานจะมีปัญญาไหมคิดแล้วไม่ทําคิดแล้วไม่ทําจะทําอย่างไรคิดแล้วไม่มาทําไม่ได้ต้องใช้ตัวปัญญาที่สามตัวปัญญาที่สามคือภาวนามาย์ปัญญา ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาเกิดปัญญาปัญญาในตัวเกิดตรงภาวนานีอ่านหนังสือไม่ต้องมีตัวมันจะผุดมาบอกเราเชนคิดน้อตรงนี้ปีเนี้มันจะบอกว่าคิดถูกแล้วคิดแล้วคิดถูกใช้ความคิดนี้มาทําได้เลยเรียกว่าปัญญาในตัวต้องทําตรงนี้เรียกว่าภาวนาไม่ปัญญาข้อต่อไป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 เพราะความบริสุทธิ์ได้กันไรได้แก่ภาวนาถ้าไม่ภาวนาและจิตไม่ใส่ใจสะอาดไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตใส่ใจสะอาดชำระใจสะอาดถึงจะเกิดปัญญาเรียกว่าตัวภาวนาทําใจสะอาดหมดจดมั่นองธําธรรมชาติสโด ล, ล้าวออกมายัางนี้เรียกกับทั้งวิสุทจิคุณของพุทธเจา้าถ้าคนเรามีความบริสุทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นขอเจริญพรดังเตอดังนี้ความบริสุทธิขขข์ของคนเนี่ยทําให้เกิดความจริงใจ ชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นค้แก่ที่นาบูชานี่สี่ตรงนี้พันข้อปฏิบัติเป็นข้อหลักของพุทธศาสนาชัดเจนว่าด้วยสนูนนี่คือจากภาวนาทำให้จิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์ปุผ่องมันทองคำธรรมชาติที่รอล า, ลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแก้ปัญหาได้คือเมตตาเป็นคนที่จริงคือสัจจะเมตตาสามคัคคีมีวิเนียเรียกว่าเมตตา ลานิยาลียอเฟื้องขาหรือให้ดูกันเรียกวากคุลประสิทธิธนันตตายขคตเจริญพอรอย่างนั้นค่ะท่านผู้ชมครับ เ, เวลาของรายการก็มีไม่มากนักนะคะเนื่องจากพวกเราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วนะคะถือโอกาสนี้กราบขอพอรจากหลวงพอ่อหลวงพอ่อขาขอพอรปีใหม่ให้ลูกๆที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะพรนปีใหม่ อขอจเจริญพรญาติพี่น้องชาวไทยทุกท่านสคออสแปลว่าความสุขแห่งความดี2543สวัสดีปีใหม่ชาติไทยเจริญเดินก้าวหน้าหนึ่งขยันเอาการสองงานสะอาดสามฉลาดเอาพอบ 4. กสี่ชอบระวังห้าตั้งใจตรงหกตงที่ทำเจ็ดนำทางถูกแปดลูกสติ 9. ด้าเดินชอบนี่พรปีใหม่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 ตรงนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกอย่าท้อ ออกแล้วมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เด็กๆไม่ทราบเป็นอะไรเครียดไปหมดเลยก็อาจารย์ดูสิคะค่ะหนังสือพิมพ์ในสมัยนีย้มีแต่เรื่องน่าเศร้าทั้งนั้นเลยละค่ะอาจารย์ เด็กเล็กยังไม่เว้นเลยค่ะฆ่ากันได้ลงคอในคาจาร์ค่ะเรานี้นะคะเป็นเรื่องของกรรมที่มันต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะเราคงต้องไปกราบนบมัสการหลวงพ่อจารานเพื่อที่จะขอความรู้จากท่านค่ะเด็นู้นใหม่ใสรู้ค่ะกราบนมสัสการค่ะหลวงปู่หลวงปูค่ค่ะคนเราเนี่ยนะคะ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 หลากหลายมาด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทาของเขาเขาจะต้องกระทามาแค่นั้นเองแต่จะถามว่าคนตายนั้นยังไม่ไทั้งความดีจะไปในโลกสวรรค์เราก็ไม่สามารถจะตอบได้จะตอบได้อยู่คำเดียวถ้ า, าว่าคนนั้นวิญญาณเขาทำความดีมาชาติก่อนแล้วเขาขนาดนั้นเขาตายนะในทองเรื่อถ้าจึดเขาดีเรยว่าเขามีปกติเขาก็ไปสวรรค์ได้แต่หากว่าเขาเนี่ย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 มาในชาตินี้เขาก็ต้องฆ่าตัวตายกระทั่งที่ไปวัดแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีมากเช่นปู่คอตายเป็นต้นเยังมีสอประการอยู่แต่เด็กวัยรุ่นรุ่นใหมเนี่ยมันพอจะแก้ด่าเอที่พ่อแม่เขาพ่อแม่สอนลูกเลยไหมให้เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเขาจะแก้ไขปัญหาได้จะไม่มีปัญหาที่จะต้องฆ่าตัวตายเลยแต่เขาไม่ทํากันในสังคมของคนไทยตรงนี้อ่าสมัยนาซิดายเนี่ยอยู น่าจะเข้าวัดหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวงกาสวดมนต์เป็นประจำเป็นนิสัทธิ์ันจิตเป็นประจำเอาโหรจิกรรมก่อนก็แผ่เมตตารับรองเขาจะมีทุงทางจะไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนในสองประการนี้นิ้วฝากไว้บคนเพื่อนต่ อ, ตอไปวันนี้เม่์เตยก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงตา ม, ม้านะคะที่ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับทางออกที่ดีให้กับพวกเราชาววัยรุ่นนะคะ แต่อยากจะฝากเพื่อนๆ เ, เอาไว้สักนิดนึง น, นะคะการฆ่าตัวตายไม่ใช่การคิดแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่าให้ใช้สติคิดสั ก, ก่อนค่ะและสําหรับช่วงหน้าพี่เดียรรออยู่กับช่วงหนุ่มสาวรักก้าวหน้าสักครู่เราไปพบกับพี่เดียกันค่ะหนุ่มสาวรักก้าวหนะน้ากรับนมัสการค่ะหลวงตาวันนี้นะคะเดียรจะมาพูดเรื่องว่าตายแล้วเราไปไหนกันคะ่ะวันเอ่อมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าบางคนระลึกชาติได้ก็มี นะคะบางคนคิดว่าตัวเองกลับชาติมาเกิดแล้วก็เดชจะถามว่าเวลาคนที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้มนมาใหม่กลับมามีลมหายใจอีกนะคะอยากเดชอยากจะาถามว่าวิญญาณของเขาไปอยู่ที่ไหนคะตอนช่วงที่เขาได้หมดลมหายใจไปแล้วนะคะเอาอย่างนั้นเฉลยเหรอค่ะหนูสงสยัยค่ะถามดีมากตายแล้วไปไหนคนละลึกชาติได้จริงไหม แล้วก็คนที่ลมหมดลมหายใจแล้วกลับฟื้นมามีไหมใช่ไห<ช>มใช่ค่ะมีคนสลบไปสลบแล้วไปแล้วไปไหนน้องตาคะแต่สลบนี่ไม่ได้หมดลมนะคะไม่ใช่ต้องหายใจค่ะหัวใจต้องเต้นแต่ตรงนี้ไม่มีลมอ๋อค่ะเอาสมมีร้องไม่มีลมค่ะแต่หัวใจยังเต้นค่ะถ้าหัวใจดับไม่เต้นไม่มีการฟื้น ไม่มีการฟื้นมันก็เรื่องแปลกอยู่หลายประการโกรธแล้วตายแต่กลับฟื้นได้กลมเท่าที่เราไปประสบมาถ้าใครไม่ประสบมาจะไม่รู้และระลึกชาติได้ไม่จริงเราขอยืนยันสำหรับที่เราประสบมาแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะมีแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมาฟื้นได้มีพระปิชุนีกร อ, อยู่ภาคตตยถ้าเล่านานหน่อยฟื้นได้แน่นอน แต่เราไม่จะไปพิสูตรว่าหายใจเปล่ากินยาตายกลับพื้นได้จะไปไหนวิญญาณไปไหนก็ไปท่องเที่ยวอันนี้เรื่องจริงเป็นเพื่อนกับเราคี <Okay. S 2> อคนอนึงอีกอันนึงคนละึกชาติได้ไหม <Okay. S 2> มีหลายเรื่องแต่หลวงตาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ชัดเจน <Okay. S 2> เราขอเืนญาณเอาหัวเป็นประกันเพื่อนของเราเองเป็นดรเตอร์ติด เป็นคนชาวโซเรนมาอยู่ที่ชาววุ้งจังหวัดบุรีเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเขาไม่มีหนังสือเรียนไม่มีสตางเรียนหนังสือเมื่อสมัยข้าวเพิมละแปดสิบาทเมื่อเราเป็นเด็กทองหนักบาทละสี่สิบหรือแปดสิบจำไม่ได้เราก็บอกก็ยอมผู้หญิงขอสตางให้เขาเรียนเขาเรียนเก่งมากตั้งแต่มองหนึ่งถึงมองหกเฉิงบุรีแล้วไปเรียนกรุงเทพเราก็ส่งตลอดคะแล้วก็เขาไปต่อที่กรุงปารีสฝรั่งเศส น้องตาให้ไปสี่รอยบาทเขาขอคะ <Okay. S 2> แล้วเขามีอยู่บ้างพี่น้องเขามีอยู่บ้างไปรู้จกักในกเทพ <Okay. S 2> ก็ไปเรียนจบด็อกเตอร์จากฝรั่งเศส ก, <Okay. S 2> กลับมาประเทศไทยจ้างงานที่ฝั่งตุนมีลูกเแรกๆสามคนเล็กๆคะ <Okay. S 2> แล้วเขาก็ตายด็อกเตอร์เกเรตายตายจะทําไมไปไหน <Okay. S 2> เขาไปเกิดที่กรอกจันทร์สาธุประเดียญนาวา ที่กองจันแต่ยังแม่เป็นคนเจนนอกเย็บผ้าหลวขายเย็บผ้าดำดำสำหรับไว้เกี่ยวข้าวตายเป้าขวบเราก็ย้ายมาอยู่แบบ น, นี้เขาตายนานแล้วตายแล้วเขาเกิดเลยนี่คุณหนูสองพันห้าร้อยเขามาเรือเมเขาบอกให้แม่มาหาเพื่อนเขาที่บวดดู่สินห์แม่เขาก็หาว่าลูกเนี่ยเป็นโรคประสาทเอาไปกรวดสมอง ตร <c oughs> วจแล้วก็ไม่พบว่าเป็นโรคจิตค <c oughs> เลยเ้าก็พามามาเรือแคนบินยังจําได้แ <c oughs> คนบินเรือแดงค่ <c oughs> จะจากท่าเตียนมาขึ้นหน้าวัดอัปปวันว <c oughs> ่าสมัยก่อนเนี่ยเดินเชือกน้ำน้องเดินเชือกตองน้ําทรงตัวเนี่ยอ้ายเดินยี่น้ําก็ะรี่ไหลลงค่ะเดี๋ ย, ย, น, <c oughs> ยนี่เกิดกุลยุกที่ลุ่มกลายเป็นที่ดอนที่ดอนกลายเป็นที่ดุะ <c oughs> มาทําไมมาถามว่าจําเขาได้ไหม เราให้ทุกบาททุกตะตังได้คืนบอกจําไม่ได้เธอเป็นใครต้นเตอร์กฤษมาหาหลวงตาเมาที่นี่เลยเพระพ่อแม่มาเป็นคนจีนฝ้ยังอยู่ฝ้ตัวนี้แม็กซ์เบลยังอยู่คล้องแต่ร่างกายเปลี่ยนไปค่ะตัวขาวไม่ดำเหมือนแต่ก่อนบอกว่าเราไม่เชื่อเธอนะว่าเป็นตตอรกฤษเขาตายไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามาเกิดแล้ว ไม่เชื่อไม่เชื่อผมจะพูดคำเดียวท่านให้ผมไปสี่ร้ยบาทใช่ไหม <Okay. S 2> ไปเรียนที่กรุงปารีสเรจะยอมรับเชื่อเชื่อแล้วก็เขาให้พาไปบ้านพัญญาเขาที่ฝ่งตุน <Okay. S 2> นี่พัญญาไปอยู่อเมริกาแล้ว <Okay. S 2> ไปขอหนังสือสามเล่มวิญญาณญี่ปุนผัสชาสมงสุด <Okay. S 2> แล้วขอมาก็สรุปใจความให้หนูฟังว่าคนละลึกชาดาเคยเรียนเป็นต่เติมมาแล้วมาชาินี้เรียนเก่งพาคหมด เอ็นท่าได้หมดค่ะคนที่มีเรียนหนังสือเก่งเนี่ยคือคนเรียนมาแล้วมาชาก่อนคนยังไม่เคยเรียนเลยเนี่ยเรียนในชาตินี้ต้องชาแต่ใช่พยายามไหมเย้ๆนะทุกขมาเตจิบุคคลลุงทุกได้เพราะความเพียรสามารถจบได้เหมือนกันกําลังสนุกทีเดียวนะคะและเป็นหน้าติดตามมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของช่วงของเรียนนี่หมดลงแล้วค่ะ ก็อยากกราบขอพระคุณหลองตามากนะคะที่ช่วยยกตัวอย่างใครอยาก<ร>ลองตายข้อเอาปะโหกไฟท์ทานแต่อยากจะไปดูเมืองถวันนรกเอากะโหกไฟท์ทานหนึแต่เดี๋ยวว่าคงคงอยากดีกว่าเพราะฟังจงกากประสบการณ์ค่ะฟังจากประสบการณ์จริงได้เดี๋ยวว่าคงไม่ฟูนทุกรายแล้วค่ะนะคะกราบขอพระคุณหลวงตาอีกทีนะคะค่ะแล้วท่นานผู้ชมคะยังไม่หมดนะคะยังมีช่วงหน้าคอยติดตามกับอาจารย์ชัติสุมาลค่ะในช่วงลึกถึงกันนันเดทัมสักครู่เดียวนะคะ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 นะคะในความเป็นชาวพุทธที่ดีเราจึงควรมาดูว่าเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรนะคะกราบนามสกักการหลวงพ่อต้องข อ, ขอความรู้ค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวตายค่ะแหมดีมากโยมดรถามเตรียมตัวตายบางคนไม่ได้เตรียมเลยนะเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทเราตายอยู่นี้ได้ค่ะตายวันพรุ่งนี้ได้ตายมาลืนได้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 ไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนี่คนนึ่งทองเตรียมตัวแล้วหละการที่สองคุณยมด็กเตร์แตุมาอยาเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเรายังเป็นสาวค่ะเด็กรุ่นใหมย่ยุคใหม่สมัยนี้ไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราเนี่ยยังสาวอยู่ยังเป็นกระแสสาวแท่แก่แม่ใหม่คิดอย่างเนี้ยอีกงานตายไม่กรอะตายคืนนี้ได้ค่ะตายพรุ่งนี้ได้ ข้อสามเราเกิดมาต้องพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เป็นวันของเราค่ะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ค่ะเดือนนี้เน่ะเป็นเดือนของเราเนี่ยเดือนหน้าไม่ใช่ไปนี้เป็นปีของเราเนี่ยปีหน้าไม่ใช่เราจะอยู่ไปถึงปีหน้าไหมไม่มีเหลืยนี่ตรงเปลี่ยะแล้วเราเนี่ยวันเนี่ยเป็นวันของเรารีบทําให้เสร็จครวมดอกเตอร์พรุ่งนี้ไม่ใช่เนี่ย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 นายมด็อกเตอร์นะเตรียมตัวเปรียมใจคเตรียมข้าเปรียมของเสร็จแล้วก็เรียมใจลงให้ตกอย่ากลัวตายคุณโยมด็อกเตอร์ถ้าเรากลัวตายตายเนี่ยเนี่ยไหนๆเราก็ต้องตายอย่าอยากกลัวดีกว่าทําให้ความเคยชินกับกับความตายคเช่นว่าชลาทำมุมหะเป็นธรรมดาต้องพิจารณาปัจจุเวทเกิด เป็นทุกข์แกเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทั้งะค่ะแเดชลาทำ ม, มุมหีต้องพิจารณาปัจจเวกทุกวันค่ะเราตายเนี่ยหายใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายคิดไปทุกวันค่ะแล้วก็เจริญกุศลภาว น, นาสวดมนต์ไว้พระคุณโยมด็อกเตอร์จะสบายใจมากค่ะลองตกแล้วไม่ต้องห่วงลูกเขาเลยค่ะถ้าเราเก็บสมบัติไว้หมดเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยไปนรกเลยน ะ, ะโลภะเป็นเปรียดในบ้าน ขอข้อฝากไว้เป็นเปรตในบ้านคือเห็นบ่อยๆตายด้วยอำนาจโลภะทรัพย์สมบัติมากมายเยอะเกินและไมไ่เคยให้ลูกตายห่วงสมบัติต้องเป็นเปรตอยู่นในบ้านอยู่ <Okay. S 1> โทสะเปยรกโมหะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเตรียมตัวตรงนี้ก่อนอย่าไปโลกอยากได้แบ่งไปเลยแล้วเราเตรียมใจค่ะ <Okay. S 1> ือโยมดรพูดถูกแนละ้ว <Okay. S 1> ต้องเตรียมใจแล้วเตรียม <Okay. S 1> <Okay. S 1> ตัวก่อนตายคือรลงให้ตก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 จะไปทางไหนเราจะไม้รู้อ่ะสุขกติงปฏติงกางขาทุกข์กติงปิติงขลางขาถ้าคิเป็นสุขเราก็ไปสวรรค์ถ้าคิเป็นทุกข์ก็ไปนรกเลยค่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยขอเจริญพรอย่างนั้น ม, มีความหมายอย่างนีมม้มีมีคนติงอีกว่าถ้าหากว่าเราจเจริญสติอยู่กับความตายตลอดเวลาเนี่ยเราก็เศ้ามองเราก็ไม่คิดทําอย่างอื่นเราก็ไม่มีอะไรการคิดที่จะเจริญโลกก็ไม่เจริญถ้าเราคิดอยู่กับความตายอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะถ้าเราจะคิดถึงความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ เราจะทำงานมากขึ้นเราต้ตองการทำงานมากขึ้นคือพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเราไม่ิดถึงความตายทุกอย่างโมระนามนุตินุสติว่าข้าพเจ้าต้องตายแน่นอนแล้วเราจะตายอย่างไรเราก็ต้องเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วก็จะขยันมันเพียรตลอดเลยโปรงตกแล้วไม่กลัวตายและแม่ตัวตายก็ทำให้ความขยันไม่โหทู ไม่หิวแห้งถ้าคนมีธรรมะจะไม่หิวแห้งจะต้องต่อสู้กับงานต่างะอย่างนั้นคผู้เจ้าตายตั้งข้างทางเดินคขณะที่จะหมดลมหายใจเลยยิ่งได้ปัดชิมมโวว่าดเลยตอนตุท่าในอนสิงห์มุชาฟังว่าหันทยาหันทธาเนียพิขุเวอมันตยามิโวไยวะยะธรรมมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเทธาติคอโนนเหนยบัดนี้สังขารกําลังเสื่อมคกำลังชโลงไปเนี่ยจะค่อยๆหมดไปแล้ว อย่าประมาทน ะ, ะนี่น ต, ตัวตัวอย่าประมาทตัวเตรียมการคืออย่าประมาทอาตองค์ต่อสงครามชีวิตเลยค่ะเกรียมตัวซะนะบัตรนี้สังขารเสื่อมไปด้วยกันทุกคนแล้วจะหมดไปตายผ่อนทรงทุกวันแล้วค่ะอย่าประมาทเรีบทํางานเชื่อวันนี้อย่าพลาดวันประการพุง่งอตาตมาจึงกล่าวไตเติลว่าวันนี้คือขึ้นหลัะพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนนี้เดือนเล่าเดือนหน้าไม่ใช่คปีนี้ปีงเราปีหน้าไม่ใช่เรีบทําให้มันเจติณัฐบัตรนี้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 ท่านผู้ชมคะมันมีคำพูดอยู่นะคะที่ทำให้สะกิดใจมากๆเลยว่าบางทีชาติหน้าเนี่ยอาจจะมาถึงเร็วกว่าพรุ่นี้ด้วยซ้ำ น, นะคะเมื่อเราจเจริญธรรมพิจารณาทำอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะ